และการเสนอแนะตัวเองจะได้รับการยอมรับอีกครั้งหนึ่งก็ถึงปลายศตรวตรรษที่20แล้วทุกวันนี้ถ้าคุณเข้าไปในอินเทอร์เน็ตจะพบเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับการยืนยันกับตัวเองในเชิงบวกได้มากกว่าสี่หมื่นเว็บไซต์และจะพบหนังสือขายดีเกี่ยวกับเรื่องนี้จำนวนมากหนังสือพิมพ์นิตยสารและข่าวโทรทัศน์มักจะนาเสนอเรื่องราวของจิตใจที่มีบทบาทต่อการพัฒนาตัวเองและความสาเร็จ